พลาดการเห็นอริยสัจแล้วก็บอกว่าทํำยังไงจะไม่ให้พลาดบอกมีวิธีเดียวก่อ น, นท่องอริยสัจเอาไว้เลยจะได้รู้ว่าเขาบรรลุอริยสัจนะแต่อย่าลืมบอกกิจของทุกคือปริญญากิจของสมุทัยคือละกิจของนิโรธคือทําให้แจ้งกิจของมรรคหรือว่านิโรธคา ม, มินีปฏิปทาก็คือการเจริญเนี่ยนะฮะจำอริยสัจสี่แล้วก็ต้องจํากิจของอริยสัจสี่ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ กิจสี่ยังี้ต้องทํากี่ครั้งบอกว่าทำสี่ครั้งเรียกว่าอริยศาสสี่ทํากิจสี่เรียกสี่สี่สหเรียกว่ากิจกิจ16กเนี่ยนะกิจ16นะแล้วก็อริยศ 4, 4, 4, 4, าสสี่เนี่ยเขโดยรอบเนี่ยเขหมุนสามรอบถ้าทำมาจากักกับปวัตตนสูตรรอบสามาการสิบสองตัวเลขเยอะแยะเลยเนา ะ, ะกลับมาในเรื่องกลับนี้ต่อไปว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าเป็นพัทธกัปเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหองค์ ในห้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันธบําเพญบารมีทั้งหลายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากนั้นก็ถือปฏิสนธิในพระคันในคันของนางพรามณีชื่อว่าวิสาขาภริยาเอกหรือภรยาเดียวของปุโรหิตชื่อว่าอาคิทัตนั่นนะพระอคิทัตเนี่ยนะผู้อนุสาตอัดอนุสาสตรมแก่พระเจ้าเขมังกรเขมังกระกรุงเขมวดี เมื่อใดกษัตริย์ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือพราหมณ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็บังเกิดในสกุลพราหมณ์ก็เมื่อใดสักพราหมณ์ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชากษัตริย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะบังเกิดในสกุลกษัตริย์เนี่ยนะได้ยินว่าในครั้งนั้นพราหมณ์ทั้งหลายอันกษัตริย์ทั้งหลายสักการะเคารพเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ชื่อว่ากกุสันทะผู้ตั้งมั่นอยู่ในสัจจะนะพระองคตั้งมั่นอยู่ในัจจะะอไร ตั้งมั่นอยู่ในวจีสัจจะ ก, ก่อนเนี่ยนะปฏิญาณว่าจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็ดํารงอยู่ในญาณสัจจะว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีวิรติสัจจะเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นไปเจริญในคุณธรรมที่ควรเจริญเพื่อตรัสรู้อริยสัจเพระองค์นั้นเมื่อจะยังหมื่นโลกธาตุให้บรรลือวันไหวจึงอุบัติขึ้นในสกุลพราหมณ์ที่ไม่อากูลเพราะว่าพระโพธิสัตว์ตอนที่จุติจากดุสิตมาเกิดใน พระคันนั้นแผ่นดินไหวแสงสว่างอันโอฬารได้ล่วงขึ้นมาพระองค์นั้นอุบัติในสกุลพราหมณ์ที่ไม่อากูลแต่อากูลไปด้วยเหตุเกิดเสรีสมบัติหมายาว่าไม่อากูลด้วยเรื่องเศร้ามองอย่างอื่นเลยแต่บริบูรณ์พูนสุขไปด้วยเสริและสมบัติเกิดปาฏิหารเหมือนที่กล่าวมาแล้วพระโพธิสัตว์นั้นก็อยู่ในคันกหนดครบถ้วนสิเดือนประสูติจากพระคันพระมารดา ะพระเขมาวดีอุทยานเหมือนเปลวไฟแลบออกจากวะไหลทองอ่ขออภัยเถาวันทองยนะพระโพธิสัตว์นั้นครองคารวาตวิสัยอยู่4ี่0ันปีมีปราสาทสามหลังชวามะกามะวันนะและกามสุทิปรากฏมีสตรีป ร, ปริจาริกาก็คือหญิงคอยดูแลรับใช้ประมาณสามหมื่นนางมีนางโรจินีปรามาณีเป็นประมุขตั้งคำถามว่าทาไมหนอ พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายทำไมจึงโดยมากทําไมให้แต่สตรีเท่านั้นคอยดูแลบํารุงบอกว่าเหตุผลหลักก็คือเนื่องจากว่าผู้เป็นพ่อคือพระราชาเนี่ยนะหรือพระราชาหรือพุทธบิดาทั้งหลายพ่อจริงๆแล้ว่ไม่ต้องการให้ลูกออกบวชต้องการให้ลูกเป็นจกักรพรรดิทีนี้ทำยังไงจะให้ลูกเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ะะให้ไม่ให้ต้องการให้บวชเนี่ยนะก็เลยต้อง คัดสรรให้ท่านสบายใจอย่างเดียวไม่ต้องมีเรื่องมากินแหนงแคลงใจเรื่องไม่สบายใจให้ลูกอยู่สบายบายลูกจะได้ไม่ต้องบวชนั่นคือเหตุผลหลักแล้วลูกจะได้ติดในสุกไงบวชนี่มันลำบากลูกจะได้ติดในสุกลูกจะได้ไม่ต้องบวชนะนั่นคือเหตุผลเพราะถ้าหากว่าแบบคนธรรมดาทั่วๆไปนั้นจึงถือว่าทาได้ยากเนี่ยนะพระองค์ก็ครองคารวาสวิสัยอยู่กี่พันปีนะสี่พันปี นะก็อยู่กับพระนางโรจินีพรามณีเนี่ยนะก็อยู่ไปก็จนได้กุมารชื่อว่าอุตระผู้ยอดเยี่ยมเป็นโอรสของนางโรจินีพราหมเกิดแล้วพระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิตสีออกมหาอภินิษฐสกรมด้วยรถม้าที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็บวชบูรษสี่หมื่นก็บวชตามพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์นั้นอันบันปะชิตเหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือน ในวันวิสาขบูรีพระองค์ก็บริโภคข้าวมะทุ ป, ปาหญ้าที่ธิดาวชิรินทพราณ์นะสุจิรินทะนิคมถวายพระองค์ก็พักผ่อนกลางวันณนะป่าตะเคียนเวลาเย็นก็รับเอาญ้า8ปดการรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสุภัฒธาถวายพระองค์เข้าไปยังโพพฤกชื่อว่าต้น ศิริสะคือต้นศึกซึ่งมีขนาดเท่าต้นแครอฟมีกลิ่นหอมเมื่อลมโชยล่าสันทัดยากกว้างประมาณ34สองนั่งขัดสมาธิบรรลุพระสัมโพธิญาณหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปล่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธคุณทั้งหลายพุทธประวัติหลายลอย่างก็จะไปละเอียดอีกครั้งในพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยับยั้งอยู่บริเวณต้นโพ7สัปดาห์นะสัปดาห์ที่8พรมก็อาราธนาใช่ไหมพระองค์ก็เห็นว่าภิกษุ 40,000 รูปที่บวชพร้อมกับพระองค์นั้นสามารถแทงตลอดสัจจะคือพระองค์เนี่ยจะแสดงธรรมเฉพาะให้แก่ผู้มีอุปนิสัยถ้าไม่มีอุปนิสัยพระองค์ไม่แสดงนีนะ พันก็เห็นว่าผู้ที่มีอุปนิสัยถ้าหากว่าโดยโดยมากเนี่ยนะถ้ามีผู้ผู้บวชตามมีอุปนิสัยบรรลุก่อนพระองค์ก็จะไปแสดงทำให้ผู้มีอุปนิสัยเหล่านี้บรรลุตาก่อนแต่ถ้าหากว่าจะมีชุดอื่นกลุ่มอื่นมีอุปนิสัยกว่าก็จะไปแสดงให้พวกที่มีอุปนิสัยกว่าแต่ว่าโดยมากผู้ที่บวชตามเนี่ยบรรลุ ก, กันหมดเลยนะแสดงว่าเพราะว่ามีอัธยาศัยนะพระพุทธเจ้าก็มีใจกรุณาก็ช่วยเหลือเกือก้อกูลสงเคราะห์กันจนถึง ที่สุดมันพอพระองค์เมื่อเห็นว่าภิกษุสี่0 0เหล่านั้นเนี่ยที่บวชพร้อมนั้นน่ะสามารถแทงตลอดสัจจะวันเดียวเท่านั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังป่าอิสิปัตนะมิกทายาวันซึ่งมีอยู่ใกล้ๆม ก, กิลนาคนครพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางบรรพชิตเหล่านั้นพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักครั้งนั้นธรรมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์ จ, จานวน4ี่0 0โกดเนี่ยนะ ก็บอกโอ้ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะถ้าบอกว่าสมัยนี้เนี่ยนะคนอินเดียเนี่ยถ้าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคนชุมนุมกันเยอะจริงๆคนอินเดีย ย, นะยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอย่างอะไรนะเทศกาลอาบน้ำล้างบาปคนมาเป็น10ล้านานะก็บอกว่าในในพื้นที่เนี่ยคนมาเป็น10ล้านในพื้นที่รพื้นที่เนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะเหมือนเนรมิตเมืองขึ้นมาใหม่เพื่อเข้าเทศกาล อาบน้ำล้างบาปของเขาคิดดูว่าคนมามากขนาดเหยียบกันตายสามสิบกว่าคนเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยเหยียบกันตายสามสิบสี่สิบคนเป็นเรื่องปกติเพราะมาอาบน้ำล้างบาปเนี่ยคนมามากขนาดนั้นเนยนะแล้วก็อย่างเมื่อไม่มาครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีพวกที่แบบเขาเขามีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทางาศาสนาเนี่ยนะแหแหนกันมาหลา ย, ลายสิกิโลเลยอะ่ะ ปั่นจักรยานกันมาเป็นวันเป็นคืนเนยแหละเพื่อที่จะมารวมตัวกันทั้งรถจีบรถปิกอัพรถสารพัดที่จะบรรทุกคนมารวมตัวกันเนี่ยนะคนเยอะจริงๆเลยนะอย่างอย่างไม่มีชาติชนชาติไหนที่แบคนมารวมตัวกันได้มากเหมือนกับแขกอีกแล้วเยอะจริงๆนะไปดูรถไฟเหาะแออัดยัดเยียดเนยนะไปกันสามสี่สิคนก็นึกว่าพวกเรามีเยอะแล้วนะที่ไหนได้นะไปเนี่ยแทบจะหาพวกไม่เจอเลยนะนิดเดียวเลยนะ คนเขาเยอะมากเนะี่ยประชากรเขาเป็นพันล้านอะ่ะชากรเขาเยอะมากเพนั้นเวลาการรวมตัวกันทีงรวมกันทีงหลายแสนดีงหลายล้านบางทีก็ได้ว่า หอบข้าวหอบอะไรมาต่างรัฐเลยแหละโดยเฉพาะไอเทศการอาบน้ำล้างบาปเนี่ยเขามากันเยอะจริงๆขนาดพวกฤษีก็ปาเขาเป็นล้านแล้วนะพวกนักบวชเขาเนี่ยเป็นล้านเนี่ยพวกนักบวชนุ่งลมหม่มอากาศนุ่งห่มนิดๆหน่อยๆที่จะมาอาบน้ำล้างบาปถือตรีเทศตรืออะไรเนี่ยมาเนี่ยเป็นล้านแล้วนะคิดดูว่าลูกศิษย์จะมากันอีกเท่าไหร่นะนักบวชมาเป็นล้านเพราลูกศิษย์เนี่ยมากันแห่กันมาเต้เนไปหมดเลยเขาเขาคนเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่อันนี้มนุษย์นะ สมมุติว่านี่นี่ขนาดคนพวกนั้นไม่มีบุญที่ไหนขนาดยังรวมคนได้ขนาดนั้นแล้วผู้ที่สั่งสมบุญมาเช่นกับพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมา8อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเนี่ยนะจะมีเหล่ามนุษย์และเทวดามารวมตัวเพื่อฟังธรรมมากขนาดไหนเพรา ะ, ะนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้ประชากรที่ว่ามากๆเนี่ยไม่ได้เกินจริงเลยยนะซึ่งมันเป็นความจริงอย่างนั้นแหละย้อนกลับมาอีกนะว่า หลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรเนี่ยบรรลุ 40,000 ไปแล้วเนี่ยนะ 40,000 โกดนะต่อมาอีกพระองค์ทำรรยมะกกปาติหารณต้นมหาสาระใกล้ประตูกันณกุฏชนครพระองค์ยังธรรมจักรสุมีโสดาปติมักเป็นต้นให้เกิดแก่สัตว์ประมาณ 30,000 โกดอันนี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สองส่วนครั้งที่3ก็คือสงเครยักษ์ชวนนรเทพนรเทพยักษ์เนี่ยนะ ที่เหตุที่เขาเรียกกันว่านาราเทพก็เพราะว่าเป็นเทพแห่งนรชนปกติแล้วก็อยู่ณเทวาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นยักษ์ที่สิงอยู่หน้าที่หนึ่งไม่ไกลกรุงเขมรวดีปรากฏตัวเป็นมนุษย์ยืนอยู่ใกล้ส ะ, สะหนึ่งซึ่งมีน้ําเย็นประดับด้วยบัวต้นบัวสายแล้วก็ดอกอุบลมีน้ําเย็นรสอร่อยอย่างยิ่งมีกลิ่นหอมหน่ารื่นรมสําหรับชนทั้งปวงอยู่กลางทางกันดารยักษ์ ผู้นี้ก็จะล่อลวงสัตว์ทั้งหลายโดยเป็นคนเนี่ยเก็บบัวนะบัวต้นบัวสายบัวขาวเป็นต้นแล้วก็กินมนุษย์เสียแอบไปซ่อนตัวเป็นคนเหมือนกับคนเก็บเก็บบัวเก็บดอกบัวเก็บอะไรใครมาอาบน้ำก็กินซะเกลี้ยงเลยเมื่อทางนั้นถูกตัดขาดก็ไม่มีคนไปถึงเพราะว่ากินหมดแล้วคนก็กลัวนะไปก็หายไปก็หายใครจะกล้าไปคนก็เงียบเส้นทางสายนั้นก็ผ่านไป นาร ย, ย์ชื่อว่านาราเทพก็ทํำยังไงดีก็เลยเข้าไปในดงใหญ่กินสัตว์ที่ชุมนุมกันในที่นั้นนั้นซะจนเขารู้ว่าทางโลกเนี่ยรู้ว่าป่านั้นเนี่ยมาหากันดารไปแล้วตายหมดก็เรียกมาหากันดารมีใครกล้าไปทางนั้นอีกต่อไปเล่ากันมาว่าหมู่มหาชนยืนชุมนุมใกล้ประตูสองข้างทางเพื่อจ ะ, อะช่วยกันข้ามทางกันนานแต่ว่ามันจะต้องเรียกว่าโคจรมันต้องผ่านเส้นนั้นอะ่ะมันตรง แต่ทีนี้ก็ต้องเกณฑ์ประชากรจำนวนมากเพื่อที่จะเดินข้ามดงนั้นไปฝ่ายพระศาสดาพระนามวะ่า ก, ะกุสัทธะผู้ปราศจากกิเลสเครื่องผูกในภพวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระองค์ออกออ ก, ออกจากมหากรุณาสมาบัติคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าลำพังอัธยาศัยของพระองค์แล้วเนี่ยนะน้อมไปในอสังขตะธรรมคือพระนิพพานอย่างเดียว ไม่น้อมไปเพื่อสังขารเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะสังขารในภูมิสามแล้วเนี่ยถ้ากล่าวแบบธรรมดาแล้วนะพระองค์มองเห็นเหมือนปากเสือโคร่งเหมือนกนเถอะมันน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าสารพัดอย่างเลยนะที่พระองค์ไม่ยินดีโดยประการทั้งปวงถ้าพูดอีกนายหนึ่งก็บอกว่าเหมือนหงทองไม่ยินดีในบ่อ น, น้ํำขลับฉะนั้นหรือเหมือนอย่างว่านะกบที่ไม่ยินดีในปากงูนะคืออึดอัดเอียนเบือ่อนายเกลียสังขารอย่างนั้นเนี่ย จริงๆแล้วพระองค์เป็นอย่างนั้นมีจิตทั้งหมดน้อมไปในพระนิพพานและทีนี้พระองค์ที่จะสอนผู้อื่นได้ทำยังไงคิดดูนะเบื่อก็เบือเบ่ อ, เ, อเต็มทีมันมันเรียกว่าอึดอัดทั้งอึดอัดกับแคบแล้วมันมีที่สบาย ทำไงก็เจริญกรุณาก่อนเจริญกรุณาว่าเขามีความทุกข์นะสรรพะสัตทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์หาประมาณไม่ได้เขาทั้งหลายมีความทุกข์ในด้านร่างกายและจิตใจทางร่างกายของเขาก็ไปไล่ไปสู่ชราและมรณะเจ็บป่วยไข้โรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยทางจิตใจของเขาบาปอากุศลแล้ กิเลสทั้งหลายก็กลุ่มร่มนถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยเขานะถ้าเราไม่ช่วยถอนลูกศรให้เขาแล้วใครจะช่วยเขาถ้าเขาเนี่ยตกไปในเหวถ้าเราไม่ฉุดขึ้นแล้วใครจะฉุดเป็นต้นก็ด้วยการุณาสมาบัติที่พระองค์เจริญเนี่ยนะจนเป็นฌานเป็นการุณาที่หาประมาณไม่ได้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดทั้นกรุณากระตุ้นเตือนก็แผ่พุทธจักสุแผ่คว่าพุทธจักสุ แผ่ขายพยานดูว่ามีใครมีบุญมีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้บ้างไหมก็ตรวจ ด, ดูก็พบเนี่ยนระเทพพยักผู้สักใหญ่และกลุ่มชนทั้งยักษ์ด้วยทั้งประชาชนที่มารวมตัวกันอยู่ด้วยชนเหล่านี้ทั้งหมดมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรทผลพอพระองค์รู้ด้วยสัพพัญญุตยานอย่างนั้นแล้วก็เสด็จไปทางอากาศที่กลุ่มชนนั้นนั่นแลเห็นอยู่นั่นนั่นเอง พระองค์ก็แสดงยมะกะปาฏิหารหลายอย่างพระเสด็จลงไปยังพบคือที่อยู่ของนราเทพยักษ์แล้วก็นั่งเหนือบัลลังก์อันเป็นมงคลไปถึงนั่งบัลลังก์ของเขาเลยนะไม่ใช่ไปถึงก็ไปแบบธรรมดาเนี่ยบอกไปนั่งที่ ท, ที่ที่ปกติแบบบัลลังกนะ์ที่นะแท่นที่เขาแบบอํานาจมากใหญ่โตเลอะเกินในแท่นนั้นนี้พระองค์ไปถึงก็นั่งตรงนั้นเลยนรายักษ์ผู้กินคนนั้นเนี่ยนะเห็นพระตินากรมุนีพุทธเจ้าก็เปล่ง ที่พระองค์กําลังแปล่งพระฉับพันนรังสีเหมือนดวงทินกรอันสายฟ้าแลบกําลังเสด็จมาทางอากาศก็มีใจเลื่อมใสนะทนที่ไหนนึกว่าจะไปฆ่าไปต่อสู้ขอกินเนื้อหน่อยบอกไม่เลื่อมใสเหลือเกินแบบพระทศสพลพระพุทธเจ้าผู้ทรงด้วยกําลังสิทธิประการเสด็จมาที่นี่เพื่อสงเคราะห์เราท่านสงสารเราแน่เลยท่านจึงมามาช่วยปลดเปลื้องเราให้พ้นจากทุกแสดงว่ายักษ์คนนี้รู้ตัวแล้วใช่ไหม มีกรรมสศกตาปัญญาเกิดขึ้นรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เลยว่าเราฆ่ามนุษย์กินไปขนาดนี้เนี่ยมันโทษมหาศาลขนาดไหนพระพุทธเจ้ามาเพื่อช่วยเราแท้เหมือนใดเหมือนโจรองค์ครีมานเนี่ยพอได้ข่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านรู้เลยนะว่าเนี่ยพระมหาบุรุษมาสงเคราะห์เราเนี่แท้พระมหาสมณะมาเพื่อสงเคราะห์เราที่ ท, ที่ที่ออกบวช ด, ด้วยเหตุผลหนึ่งเพราะเชื่ออยู่แล้วเพราะข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยองค์ครีมานก็รู้อยู่แล้ว แต่ว่าไอความที่ว่าเพราะาวิชาเพราะอาวิชาเนี่ยนะไม่ใช่วิชาเพราะอาวิชาแท้ๆเลยเนี่ยนะนะก็ทําให้จะต้องฆ่าให้ครบพันก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องอื่นนะนะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ใจคิดไว้อย่างนั้นพอได้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเท่านั้นแหละรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระองค์มาเพื่อจะสงเคราะห์เราก็เลยวางมีดวางดาบยักษ์คนนี้ก็ลักษณะพระองค์คุลิมาหนั่นแหละเกิดสํานึกบุญบาปชั่วดีขึ้นมาก็ ดีใจนะว่าพราะองค์มาเพื่อโปรดเราแท้มาเพื่อจะช่วยเราให้พ้นทุกผลภัยแท้ฟันยักษ์ก็เลยไปในป่าหินมาผ่านที่หมู่มรึกมากพร้อมด้วยบริวารยักษ์รวบรวมดอกไม้ที่เกิดทั้งในน้ําและบนบกอันมีสีและกลิ่นต่างๆเลือกเอาเฉพาะที่มีกลิ่นหอมหน่ารื่นรมย์ใจอย่างยิ่งมาบูชาพระกะปุสันธพุทธเจ้าผู้นําโลกผู้ปราศจากโทษเนี่ยนะ ปกติแล้วถ้าหากว่าเจอสัตว์อื่นใช่ไหมเอาดาบไปทิ่มเห็นพระพุทธเจ้าไปเก็บดอกไม้มาบูชาเนี่ยนะเออมนุษย์เนี่ยมันแฝงกันนะหรือว่ายักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็คิดดูนะว่าถ้าเห็นสัตว์ทั้งหลายเนะีเจตนาปาณาติบาต ท, ทํากิจเต็มที่เลยนะแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าพับพุทธบูชามาเลยไปหาเก็บดอกไม้ที่ไหนไปเก็บเอามาหมดอนะ่ะ ม, มารวบรวมเพื่อทําพุทธบูชามันก็เป็นนะอย่างอย่างชาวชนบทเนี่ย อย่างถ้าถ้าปกติแล้วนะเขาเป็นพวกหาปูห า, ป, หาปลาลา่าสัตว์ยิงนกตกปลาไว้ไปเรื่อยพอมีหนึ่งวันเป็นงานเทศกาลบูชาพระเนะนี่ยนะพวกเนี้ยตรงกันข้ามจะไปเที่ยวเก็บดอกราจะเพลิกดอกอะไรก็ได้ที่มันเป็นดอกนะป่าเขาแถวไหนก็ไปรวบรวมดอกนั้นมาบูชาพระนะวันผ่านไปหมดวันพระก็ไปทําต่อนะี่ยก็ในในใ น, ในยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะตามชนบทห้ายแห่งก็เป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันคือคนมันก็ไม่มีใครบาปโดย แบบแบบแม่เลวสุดๆไม่มีวันดีบ้างเลยก็ไม่ใช่จะมีใครดีสุดๆดเว้นพัทริยะก็หาได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็คละเคล้าเกลือกกล้วทั้งดีทั้งชั่วแอนะสลับกันเป็นไปถ้าชั่วมากก็อย่างว่าทางใครก็ทางไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ถ้าดีมากก็ไปดีนะก็วัดกันเทศแถวนั้นแหละมันก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนั้นก็กบูชา นะพอยักษ์เนี่ยเลื่อมใสามากนะที่คือถ้าคนปกติธรรมดาใครจะมานั่งบรรลังตัวเองได้เนี่ยนะเพราะคนที่ยิ่งกว่าเราเท่านั้นแหละที่จะมานั่งที่เรานั่งได้ก็เลยเอาดอกไม้ของหอมเครื่องรูบไล่เนี่ยบูชาร้องเพลงประสานเสียงสดวีร้องเพลงชื่นชมด้วยนะดีใจมากร้องเพลงชมอันเฉลีเนื้อยืนกระวาไห ว, ไวยกมือไหวท่วมหัวยืนน้มัศการยืนนอมน้อ ม, อมก้มกราบอยู่นั่นแหละ จากนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นปาฏิหาริเช่นนั้นก็เลื่อมใสามาประชุมการพากันยืนนอบน้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พระพุทธเจ้ากกรุสันทะผู้ไม่มีปฏิสนธิคือพระองค์ไม่มีปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมในไหนทั้งนั้นแหละเพราะพระองค์ทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังน ร, เ, นรเทษยักษ์และมนุษย์เทวดาที่บูชายิ่งให้อาถาน คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาเจอหน้าใครเนี่ยพระองค์จะไม่ทำให้เขาหวาดกลัวสะดุ้งแล้วก็แบบกลัวสุดๆอะไรสุดๆขนลุกข น, ขนพองสอยองกล้าด้วยอนานาจโทสะอะไรไม่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ประทับอยู่ที่ใดใจของเขาที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสเนี่ยนะบั ป, ประชาชนก็เต็มไปด้วยความอาถรรน์อยู่ด้วยความร่าเริงอยู่ด้วยความเรื่อนเริงพระองค์ก็แสดง ท ร, รมเทศนาแรกที่พระองค์แสดงก็คือแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแสดงให้เขาเหล่านั้นรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปอ น, น่ว่าเจตนาเช่นนั้เจตนาฆ่ามีผลอย่างไรเจตนาเว้นจากการฆ่ามีผลอย่างไรเจตนาลักทรัพย์กับเจตนาเว้นจากการลักทรัพย์มีผลอย่างไร เจตนากาเมกับเว้นจากการเมมีผลต่างกันอย่างไรก็คือเจตนาที่เป็นอกุศลกรรมบทที่มีโทษให้ผลต่อไปอย่างไรในปัจจุบันและสัมปรายภพเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาหรือเจตนาที่รักษากุศลกรรมบททั้งสิบให้ผลเป็นอย่างไรเมื่อความรู้ความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมรู้กุศลกรรมบทรู้อกุศลกรรมบทรรู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้แล้ว ผู้ใดปรารถนาพ้นทุกข์ก็เจริญวิปัสสนาเพื่อให้แทงตลอดอริยสัจพ ร, ระองค์ก็ประกาศอริยสัจหลังจากที่เขารู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ทางแห่งวัฏ ต, ตะรู้ทางแห่งวิวัฏฏะดีแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจเขาก็เห็นอริยสัจวันหลังจากที่พระองค์ประกาศอริยสัจจบธรรมมาพิสมัยการแทงตลอดอริยสัจก็ได้มีแก่สั์ประมาหาประมาณไม่ได้ น, นี้เป็นอภิสมัยครั้งที่สาม ต่อจากสมัยพระเวสสุูพุทธเจ้าอัน น, นี้เป็นข้อความในพุทธวงที่พระองค์กลัดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันท่าผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ผู้อันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากพระองค์เพิกถอนภพทั้งปวงถึงฝั่งบำเพ็ญบารมีแล้วทำลายภพเหมือนราชสีทำลายกรงทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด เมื่อพระกากุสัมทาผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจากธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์สี่หมื่นโกดพระองค์ทมำยมะกาปาฏิหารลงพื้นนภาการยังเทวดาและมนุษย์สามหมื่นโกดให้ตรัสรู้ในการประกาศอริยร 4, สัตว์สี่เนี่ยนะสัจจะทั้งสี่ทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคแกนราเทพยักษ์นั้นธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์จานวนนับไม่ถ้วนนะ ผู้ที่เห็นอริยสัจอย่างที่เท้ามาหาพรหมอาราธนานี i ก็ถูกต้องแล้วใช่เท้ามาหาพรหมอาราธนาว่าสัตว์โลกผู้มีทุลีในดวงตาน้อยพอมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังอริยสัจเขาจะเสื่อมเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์แสดงธรรมเถอะผู้ที่พอจะเห็นอริยสัจตรตัสรู้ตามพระองค์นี่มีอยู่มันขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมสงเคราะห์เขาเถิดพระองค์ก็บอกว่าใครที่มีหูปล่อยศรัทธามาเถิดถ้าเขาปฏิบัติตามเขาก็จะเห็นอริยสัจได้ มันการที่พระองค์ทํากิจเหล่านั้นก็จึงมีผู้ตรัสรู้ต่อไปว่าพระกะกุสัมถาพุทธเจ้าผู้รื้อเครื่องผูกคือพบนะเครื่องผูกไว้ในพบก็คืออัะนะโอคโยคะคันฐานิวรณะอนุสัยสังโยติกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมอริยะสาวกครั้งเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้า อ, าอมีผ้าหันมารวมการประชุมเนี่ยนะสาวกสันนิบาตอันประกอบไปด้วยองค์4ี่สี่หมื่นท่าน ที่บวชณป่าอิสิปตนามฤุกทายาวันเนี่ยนะก็กรงเรียกว่ากรงกันนกุศลเรียกว่ากันณกุศชานครแสดงว่าเมืองพาราณสีในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุศลธรร ม, มีชื่อว่ากรงกันณกุศชานครในกลับเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากที่เดียวกันะนะก็คือที่ป่าอิสิปตนามฤุกทายาวันเนี่ยนะ พรองแวดล้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นก็แสดงปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในวันมาฆปุรีเนีนะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากากุสันทะทรงมีสันนิบาตประชุมสาวกขีนาศพผู้ไร้มนเทนมีจิตสงบคงที่ครั้งเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าออนะขออภยัยครั้งนั้นเนี่ยมีสันนิบาตการประชุมระสาวกคือพรอาอทหารเนี่ยสี่หมื่น ผู้บรรลุภูมิของท่านผู้ฝึกแล้วฝึกคําว่าฝึกในที่นี้ก็คือฝึกด้วยอริยมรรคฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะสมถาวิปัสสนาเคียงคู่กันไปสมถาวิปัสสนาเคียงคู่กันในระดับโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคเนี่ยนะท่านท่านก็บรรลุถึงภูมิของผู้ฝึกด้วยอรหัตตมัคเพราะท่านสิ้นหมู่กิเลส ที่เป็นเช่นกับข้าศึกมีอาสวะโอคะโยคะคันธานิวรณะอนุสัยสังโยชกิเลสบาดอากุศลธรรมทุกชนิดเหมือนกันทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์สมณะโคโดมของเราเนี่ยนะตอนที่พระองค์ยังบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั้นพระองค์เป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าเขมะทรงถวายบาตรถวายจีวรเป็นมหาทานถวายเพสัตชคือยาทุกอย่างนับตั้งแต่ยาหยอดตาไล่ขึ้นไป แต่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายสมณบริขารอย่างอื่นหลังจากที่พระองค์สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็มีใจเลื่อมใสนี่นก็คือฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธศาสนาสอนอะไรพระพุทธศาสนามีเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เข้าใจครบถ้วนเสร็จแล้วเริ่อมใสก็เลยสละบัาลังบวชเลยมใจไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฟังทำจบแล้วบวชได้เลยเนี่ยนะครามคิด ไม่ต้องปรึกษาอำลาใครสักอย่างเลยนะเอาก็เป็นเสรีชนอยู่แล้วเนี่ยนะก็เป็นอิสระชนอยู่แล้วทำไม่รู้จะไปต้องคอยไปปรึกษาใครก็เลยบวดใจเลยพระศาสดาพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้ากัปกุสัมทะก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในกัปนี้แหละแต่อีกหลายหมื่นล้านปีนักแรท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถือว่ากัปนี้แล้วกันนย่างกัน เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้ภาษาริอบทฟังว่าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าเขมะถวายทานไม่ใช่น้อยในพระตถาคตและสาวกของพระองค์ผู้ชิโนรส ถ, ถวายบาจีวรยาหยอดตาไมา้เท้าไม้มาสางถวายสิ่งของที่น่าปรารถนาะเหล่านี้ล้วนแต่ของดีๆพระมุนีกะกุสัมธาพุทธเจ้าผู้นำวิเศษพระองค์นั้นได้พยากรณ์เราว่าในพระตกันี่แหล ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องราวก็เหมือนกับที่ฟังมาแล้วพระโพธิสัตว์บอกว่าเรานั้นอ่ ะ, อ, ะอยู่ที่นครเขมวดีกําลังสแสวงหาพระสัพพัญยุตยานบวชแล้วในสํานักของพระองค์ะนะเพราะว่าต้องการเหลือเกินประสงค์เหลือเกินปรารถนาในโพธิญานเนี่ยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บรรลุสัพพัญยุตยานอย่าลืมว่าสัพพัญยุตยานก็คือนับเนื่องใน อสาธารณะญาณหคืออะไรบ้าง น, นะอาสยานุสยญาณอินทรียปโปรปริยติญาณยมกะปาติหาริญาณมหากุณาสมา บ, าาบัติญาณสัพพัญญุตญาณและอนนาวารณญาณแต่ว่ายกตัวอย่างเฉพาะสัพพัญญุตญาณแต่ว่าไม่ใช่สัพพัญญุตญาณอย่างเดียวพุทธคุณที่เหลือทั้งหมดโดยยกสัพพัญญุตญาณเป็นประธานเนี่ยนะ อย่งบอกว่าปราถนาเป็นพระราชาไม่ได้ปราถนาว่าชื่อราชาติดไว้ที่หน้าอกไม่ได้อย่างนั้นแต่หมายว่าตําแหน่งนั้นก็เลยว่าต้องการทั้งหมดทุกอย่างนั่นแหละฉัน้นใดพระองค์ปราถนาเป็นพระธรรมราชาก็ฉันนั้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาไม่ชักช้านีนะผู้มีปัญญาเร็วพลันพระองค์นั้นเป็นศาสดามีพระบิดาพ่อเป็นพรามชื่อว่าอาคิทัตตะชนนี นางวิสาขาตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตระกูลใหญ่ประเสริฐล้ำเลิศกว่านอรชนทั้งหลายผู้มีชาติสูงมีบริวารยศใหญ่อยู่ในนครเขมะนั้นไม่ใช่พระองค์เกิดที่เมืองพาราณสีนะไม่ใช่นะพร ะ, พระพุทธเจ้ากักกุสัน่าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีพระอาคาระัครสาวกชื่อว่าวิทุระและพระสันชีวพุทธอุปถาชื่อว่า พ, พุทธิชะ มีอัคราสาวิกาชื่อว่าพระสามาและพระจำปาโพพึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นสิริสะไม้ศึกมหามุนีนิสูงสี่สิบสอรมีสีทองเล่นออกไปโดยรอบรอบสิบโยศพระกากุสันทพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุยุคสี 40, ่หมื่นปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกช่วยกันขยายตลาดธรรมะ น, นะขยายตลาดธรรมะเนี่ยนะข้าไรค้าโพธิปักขยธรรมเหมือนนสติปัญญานส ม, มัปปทานอิทิบาตอินทรีย์พละโพชงแปดอ่ะโพชงเจ็อริยมรรนประกอบไปด้วยองค์8 น, นะขยายตลาดธรรมะที่เรียกว่าเพียบพร้อมอ่าต้องต้อ ง, อ, งอ่านในมิลินทปัญหาเล่มสามนี่ยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างเงยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเลยอันนะอธิบายเชิงรูปประธรรมนี่สูงมาก ก็ถือว่าคารัตนะคาโพธิปักขยธรรมคาสติปทานคาสัมมปะทานอิทธิบาทอินทรีพระละใครซื้อใครจับจ่ายใช้สอยโพธิปักขยธรรมเหล่านี้ได้เท่าไหรได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าเหล่านี้เท่าไหร่ก็ตามสมควรนั้นพระองค์เนี่ยขยายตลาดคือโพธิปักขยธรรมให้กระจายไปในหมู่สตรีและบุรุษเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นสตรีบุรุษก็ประสบรัตนวิเศษบางท่านเมื่อได้ซื้อไปแล้วก็ได้ฌานบ้างได้สมาบัติบ้างบรรลุมรรคผล ตามสมควรพระพุทธเจ้านั้นมีเสียงขณะที่บรรลือธรรมแสดงธรรมโดยไม่หวั่นไหวไม่ครั่นครามดุดราชสีหลังจากนั้นบำเพ็ญพุทธกิจครบถ้วนก็เสด็จดับขันปรินิพานสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงหนอะ น, นะพระองค์มีพระสุรเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์แปดสมบูรณ์ไปด้วยศีลตลอดเนืองนิพปกติทั้งร่างกายทั้งเสียงทั้ง คุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าเน่แท้นะไม่มีอะไรเหลือเลยเนยะเพราะอะไรเพราะพระาศาสดาด้วยคู่พระอัครส า, าวกด้วยอสีติมหาสาวกอุปถาทั้งหลายทั้งหมดทุกท่านก็บรรุถึงความเป็นมุนีผู้มีโมเนยธรรมแทงตลอดอริยมรรคแล้วก็เข้าถึงความเป็นผู้แลไม่เห็น ไม่มีใครแลเห็นท่านรู้ว่าท่านเนี่ยมีรูปเช่นใดมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นใดท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นใดอายตนะภายในเช่นใดอายตนะภายนอกเช่นใดไม่มีผู้ใดรับรู้เปรียบเหมือนคติแห่งไฟที่สิ้นเชือ้อะนั้นเนี่ยนะได้ทราบกันมาว่าพระกากุสันทพุทธเจ้าปราศจากเครื่องพันธนาการเครื่องผูกพันเอาไว้ในภพ พระองค์มีพระปัญญาไม่ชักช้ามีปัญญาเล่นปัญญาไวปัญญาเร็วนะทำลายกิเลสได้ทั้งหมดปราศจากโทษทางกายวาจาและใจทั้งปวงพระองค์เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมไม่หวั่นไหวในภพสามผู้ทรงมั่นคงในสัจจะเนี่ย น, นะเสด็จประทรับอยู่ณนะเขมยวนหลังจากที่ปริญนิพพานไปแล้วเนี่ย อันนี้กล่าวไมมว่าพระองค์พระธาตุของพระองค์เป็นยังไงมัางอ๋อมีสถูปที่เดียวนะมีสถูปที่เดียวในหน้า642นะนะว่าพระองค์นั้นมีสถูปสูงจดฟ้าขาวุธหนึ่งนนะก็ประมาณสัก4ี่กิโลเนี่ยนะเจดี JD ก็เป็นภูเขาลูกย่อมย่มลูกหนึ่งเลยแหละเนี่ยนะแลนะสำหรับช่วงเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวฟัง ตอนบ่ายถึงพระพุทธเจ้าพระนามวโกนาคมาณะต่อ